ผบเราจัดวไปสามปีถ้าบริโภ่ร้อยสิบสาปีวัน่มาอบัติห้าสิบวันเีว่าแตกตงใเด็กสององค์เนี่มีองค์อาจารย์สนาบาง มันแตกต่างกันต mm hmm. ามธรรมะเรือะไรอันนี้ขนาดครับ mm hmm. อย่างน้อนจ่วนกปีหนึ่งครั mm ้งหนึ่งส่วยังยังไม่เผาเข้าก็ไม่ได้เลยห้าสิบวันนม่ได้ครั้งหนึ่งทำให้ครั้งหนึ่งร้อยวันครั้งปีครั้งง ก็จะน้อยลงน้อยลงจากนั้นก็ปีละครั้งบอกปีก็ลืมไปลืงอันนี้คือรูามจากพ่อแม่ไม่เหมือนกันวามที่เราลืมไปที่สําหัปีหนึ่งไม่เคยทําให้เลยไม่เคยทําให้พ่อให้แม่เลย นิสพิการพฤติกรรมนี้เราต้องทำใจตัวเราเองกันเหมือนกันเมื่อเราลงขายตายจากไปแล้วลูกเท่าเราล้านก็จะเป็นอย่างอย่างน้นนก็ปีละครั้งตามเทศกาลก็มีเกิดสิบครั้งเอาเป็นที่นั่นถ้าจะไปรอซึ่งลัานี้ มันเท่มันมีประโยชน์อะไรหนึ่งใน <c oughs> ช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่ลมาใจยังพอไปพอมาคิดได้ทำได้พออีกหลายมันก็สิ่งที่เราจะคิดไวททำไม่ได้คิดได้ทำไม่ได้ก็เอาตัวเลขเป็นกว้าเอาสังขารเป็ น, นตัวอ้าง ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกี่ยวข้างกับเราในชิตปัจจุบันเรจะโอบให้พี่โก้พี่พ่อทราบทีเดีโดยเฉพาะสาษาการอุปมาพูดสมมติตั้งแต่วันคราแรกตัวนี้ปัจจุบันคำแรก ไปฝังพวกเราไปชิดคกิพูดให้จำทำให้ดูไม่รู้พวกเราเออกไปขอบไปชิดกันหรือเปล่าถ้าไม่งั้นมันกิดมากค่ฐาสักพีเกิดสิบห้าสินแปดเจ็ดวันก็มาท่องครั้งหนึ่งมาทวนครั้งหนึ่งลอท่อง ถ่องั้นมันจะทวนไม่แมน่ใจเลยจะดีหรือเปล่าหรือเราก็จะอยู่เนอย่างนี้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ละมั่นเรารับอรารถใจพุทธประธรรมสมก็เอาแตชื่อเแต่วความเป็นจริงอยู่ยังไงไม่รู้นี่คือความยากลำบากของพวกเราที่ยังไม่เข้าจิตยังไม่เข้าใจ คื อ, อยังไม่เข้าในจิตไม่เข้าอยู่ในใจมันอยู่ข้างนอกพยายามไปเยียดเข้ามาที่ จ, จัิตเราแล้วทุกอย่างในชีวิตเป็นยังมันเท่านันที่ชีวิตมาอย่างมันนี้ต้องต่เข้าสารมาเราเคยเห็นหลายๆอย่าง คิดมันไม่ค่อยมีอะไเปลีป่ยนลปยงเหมือนเดิมเรามาจัดระบลเราได้คิดเหมือนเดิมไหมปุ๊บเหมือเดินทำเหมือนเดิมไห ม, ห ม, น, ม, ไหมนั่นแหละคือคำว่าไม่เปลี่ยนไปยกอะไรขึ้นมาก็ได้คำสองคาก็เป็นแนวคิดเจ่นเรายกคำว่าสินขึ้นมา สติให้แตกสินคืออะไรสินมีนความจาเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะนะสินเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือตัวเรามันก็จะเข้าใจขงสติสติคืออะไรสติมันจะมีได้อย่างไรสติ คนที่มีสติกับคนที่ไม่มีสติมันแตกต่างกันอย่างไรนี่ก็ยกขึ้นมาเจริญน้ำเราเห็นเร็วเหตุ น, นุณิเ็วันนี้หลานเยอะเรื่อง เ, เก่าเรื่องเก่เรื่องเดิมมันเป็นยัง้างนั้นเรื่องวิสติส่งเหล่านี้เราเรียกว่าวิหารธรรมเราทำอ ย, อยู่ต้องเน้นว่าธรรม คือธารมนะทเป็นเครื่องอยู่ก็ อ, อยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรก็ได้ที่เป็นวิหารธรรมประจาวันประจาวันพระถ้าประจำชีวิตได้เป็นกันดีวิหารธรรมคือทำประจำใจไม่ใช่ไปทำกายใจอยู่ใจเรามีอะไรเป็นเครื่องอยู่จุนกายแล้วก็ใจว่าเป็นหลักก็คือบ้านปุตติวิหาร เ ร, เ, รใใเราจะเรียกวิหารเราที่อยู่เครื่องดูที่พักอาศัยน่ปจะเป็นของกายแล้วใจของเราเมื่อไรเป็นเครื่องดูเมีอะไรที่เครื่องยึดเพราะเราไปฝึกสติมันนึกไม่ได้คือนึกของคนนี้ไม่ได้เนี่จะเรวิสติไม่จะไปหาจากที่ไหนกัน ถ้ไม่เคยจัดใจกับตัวเองมันไปหาอย่างที่ไหนจะไปโทษปัจจัยภายนอกจะโทษคนอื่นไปโทษตัวเองเหตุสติถ้าไม่เคยพิหารณาเปฏิปักษมันจะไปผลมาจากไหนไ่มีจะบอกภาษาการเนี้ยพยายามหาอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องอยู่จริงๆเอาให้เป็นหลักไม่ตอนน้องเยอะเอาให้น้อยเช่น เค่องยู่ตั้งว่าภาษานี้อย่างน้อยกขาสิบแปดก็ได้สิบห้าไม่งดีอย่างนี้เราเป็นเครื่องอยู่แล้อย่างน้อยก็มีเป้าหมายคือเป้าหมายของจิตส่วนฝรัง่งเขาเป้าหมายข้างนอกเขาก็ตั้งเป้าหมายเป็นเป้าหมายข้างนอกแต่ฝ่ายเราเป็นเป้าหมายข้างในเราวิหารธรรมทําป็้เครื่องอยู่ทีนี้เรามบโอบปนากโกย้อนดูว่า ตั้งแต่เข้าภาษาไปตั้งมาเราตั้งใจตั้งใจว่าอย่างไรก็คืออธิษฐานนั่นแหละหรือไม่อธิษฐานอะไรเลยยิ่งหนักกว่าเก่าเลยมันมีหลักแต่คิดไม่มีหลักนี้พิ่งมีเขาเรียกว่าคนไม่มีสัจจะแต่พูดไปมันก็จะแรงแต่จริงๆมันไม่เห็นสัจจะคืออะไรคือความจริง มนุษย์มันไม่อยู่กับความจริงไม่ชอบความจริงชอบความหลอกหลองถึงอะไรที่เป็นความจริงมันไม่ชอบจะหลีกจะเลี่ยงจะเป็นคําที่ไม่ค่อยชอบเช่นต า, ายเป็นคําที่ไม่ค่อยชอบมาพังกินตือก็คืออะไรเป็นคำอัปมงคลหรือสั้นไปคําำตายคําเดียวนี่นี่มันก็คือบารณะก็คือจุดหมายปลายทางครั้งสุดท้าย ของคนของมนุษย์ของสัตว์ในชีวิตลราม่หายใจก็คือจุดท้ายปลายทางเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝึกสจิกเราชิดไม่ได้นึกขึ้นมาไม่ได้จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เลยสุดท้ายก็ตามตายจะบปากตัวเองไม่ทันแล้ก็กลายเป็นโทษมากขอบคุณแทนที่เป็นโทษมักนกลายน เกิดับตัวเราเองมันไม่รู้คุมปากตัวเองไม่ได้คุมตาตัวเองไม่ได้คุมหมูตัวเองไม่ได้เราก็แสดงออกตามพฤติกรรมที่ใจมันจิตมันนึกนคิดตรงแต่งก็เรื่องสำคัญสุดท้ายมันไปอยู่กับสังคัญละธรรมพวกนั้นแหละอยู่คันนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่รู้วมันปรงดีปรุงไม่ดีไม่รู้เมื่อนอาหารถ้าไม่ต่างเข้าปากไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันมันเข็มทำไม่เหมือนกันทําให้กระทบกับเราก็ไม่ผัสสะมันก็ไม่เกิดเวทนาคือแสดงออกในทางสุขทุกข์เฉยๆล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆแล้วสติมันไม่ทันมันก็หลบไปตามมันผัสสะเกิดสุขสบายชอบ เรียกว่าติดนั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองติดมันผัสสะมันกระทบมันเกิดเวทนามันไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบใจเวลาพูดมันพูดไม่หมดก็อันนี้ไม่ชอบซึ่งอรู้อะไรคือไม่ชอบต้องบอกมันชัดเจนอะไม่ชอบใจคือใจอะมันไม่ชอบเห็นมั้ยแล้วจิตมันไม่ชอบก็ถามต่อมันไม่ชอบเพราะอะไร ความไม่สบายมันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เจ้าเราว่าถุกขับวัตถุขันเป็นวัตถุยากลำบากเราก็แปลว่าวัตถุยากลำบากจริงๆว่ามันแปลว่ามันทนไม่ได้ความหมายก็มันมันกระทบแล้วมันทนไม่ได้แต่ภาษาเราง่ายคือรับไม่ได้รับไม่ได้กับสิ่งที่ได้รับเจ้าเราว่าทุกขับชัดเจนเลย อะไรก็อะไ ร, ะไรที่เกิดกับเราเราเราับไม่ได้เราคือใจมุจ่งอะไเสมอว่าพูดให้มันจบจะเป็นคาราการซังมันคืออะไรมันคือใจแต่ถ้ากระทบแล้วความส่งแล้วมันวางเป็นกางก็มันเฉยเฉมันน้อยมากๆน้อยมากๆจะเวน้นอะไรที่มันคิดว่าไม่เกี่ยอะไรกับความกับเราเช่นกับครอบครัวเช่นตาย ถ้าคนอื่นตายก็มไม่เกี่ยวอะไรกับเรารบรบเบาโกงคนอื่นเรื่องเงนอื่นๆเราไปคิดเรื่องเงินอื่นพอมันไกล่ตรองเขามาญาติพี่น้องคนรู้จักบางคนลูกเต่าเราหลานเอาวเริ่มละแล้วสะดุ้งละมันเลิ่มไกล่ตัวแนละ้วเห็นไหมคำเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยแต่คิดไม่เหมือนกันแนนนสดงว่ามันอยู่ที่วิธีคิดมันเกิดขึ้นกับเราว่ะ เราไม่สามารถที่จะจัดการการระบบความคิดของตัวเองได้กระทษใครไม่ได้นี่ก็แปลว่าวิหารธรรมเราไม่มีคือทำเป็นเครื่องอยู่ของจิ ต, ตมันไม่มีมันไม่ชัดเจนมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกอริยบทมันไม่นิ่งนี่คือใจเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติยังไงต้องการให้ใจเรามันนิ่งให้คิดเป็นพุทธเป็นทําเป็นและเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษทั้ง ตนเองแลยผู้อ่นภาษาการจริงๆเป็นเรื่อง่เราจะต้องระมัดระวังผู้เจ้าสมองคาแรกก็ังไงเรียกว่าสังเวไเป็นไปมากคาสงังเวชเป็นคำรวบยอดเจอเจมาสังรวชอะไรสังเวตั้งหัวใจหรือง ก, กับว่าสังรวชคือระวังคาส่วนนั้แรกคือระวางเราดูด้วยความไม่ระวัง คืออยู่ในความไมีมสติอันนี้คือสภาพปัจจุบันปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนทุกขณะทุกเวลาทุกวันนี่ถามว่าสิ่งเหล่านี้พระุทธเอจอ้าดูอย่างไรพรจ้แช่กับว่าวิหาราธรรมอันนี้กรรมอะไรเวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าเวิหารธรรมของพระตถาคตหรือผู้ปฏิปดีแล้ว วิหารธารมของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านั่นคือผู้รู้ผูตืผู้หวังอยู่อย่างไงก็อยู่แบบผู้รู้ก็อยู่แบบผู้ตื่นอยู่แบบผู้เบิกบานนี่คือวิหารธรรของพระพุทธเจ้าถ้าพูดง่ายๆสั้นๆก็คืออยู่ด้วยความมีสติมีสมาธิแต่พระุทธเจ้าเขาใช้ว่าสติขึ้นหนังน้ะ เพราะอะไรเพราะท่านมีสติแล้วท่านึงใช้สติได้แล้วก็สมาธิก็มั่นคงในสิ่งนั้นเรียกว่าสติสมาธิ mm hmm. พวกเรา mm hmm. เบื้องต้นต้องอยู่ด้ความมีสมาธิก่อนแล้วจึงเกิดสติ <c oughs> แล้วก็ปัญญาที่ตามมาหลังจากนั้นก็สติเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ด้วยสติเหมือนพระพุทธเจ้า ผู้ใจดสมาธิกิบสติสติกขอพผู้ใจเป็นส ต, นสตนิอย่างไม่ใช่สติอย่าณของเราท่านๆคือญาณคือเกิดจาความรู้แต่ความรู้เึงนั้นรู้ที่เป็นปัจจุบันอันนี้ชัดเจนอันนี้สําคัญมากๆเพรสิ่งที่เรเกิดสตินั้นที่ขณเรากําลังรู้กําลังนึกกาลังคิดกําลังกลมกำลังแต่งอยู่นั้น มันเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตสติเท่านั้นที่จะรู้ถ้าคนไม่มีสติมันก็ไม่รู้สุดท้ายมันก็อยู่กับอดีปป์อยู่กับอนาคตอยู่กับปฏิปปนก็ไปว่าจะคิดก็ตามจะพูดก็ตามจะกระทําอะไรก็ตามกิริยาอาการ น, นั้นมันเป็นเรื่องของอดีตที่มันจบไปแล้วเช่นพูดเรื่องเกา่าเรื่องแก่พูดเรื่องเกา่เาเล่าฟังหล้ำอันนี้นอยู่กับอฏิป ถ้าเป็นกิจการอย่างนีุู้้ทราบทันทีว่าเรากำลังอยู่กับอดีตนะซึ่งมันไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยกับปัจจุบันแสดงว่าเราขนาดนั้นจิตเราไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือความจริงแสดงว่าเราไม่อยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยอยู่กับความจริงมากนักในชีวิตประจำวัน เพราะการฝึกกับพวเราต้องการให้เราอยู่กับความจริงเพื่อที่จะยอมรับความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ที่มันเป็นไปแล้วก็จะเป็นในอนาคตแต่นี่เราไม่อยู่เราไปเข้าเรื่องอนาคตจะอยู่ยังไงตายไปแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงเอาไปนน่นเลยเร อ, อยู่กับอดีตข้างกรนปีกรอนัีที่แล้ววันที่แล้วมาก็ไปอยู่กับ ชีวิตมันผ่า น, านมาเธอจําจได้ไหมครับทุดนั้นเติร์นพูดว่าอย่างไงอ่านได้ไหมต้องการทุกทุนยังไม่หมดให้ทุกทุนที่ดีๆนะให้มันซ้ำอีกมาจาในสิ่งที่ถ้ามันดีมันก็ดีนะแต่สุดท้ายมันจะไม่พูดถึงของดีจะไปพูดถึงของไม่ดีก็แล้วกันถ้ามันนั่นขึ้นมาได้โอ้นัานา่นคืสติที่เราฝึกอยู่ก็เพื่อสติตัวนี้แหละตัวสําคัญนะ เขาเปสติเปิดขึ้นมตัดทันทีเลยมยันก็ว่ า, วางนี่คือคำว่าว่างวางอารมณ์นั้นทันทีฝึกอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาทั้งหลับตาลืมตายืนเดินนั่งหรือนอนในขณะที่มเราหายใจในสติฝึกได้ทั้งนั้นในทุกเรียรบวไม่ใช่นั่งกอดควนมาฝึ ก, น, น, กนั่งสมาธิกอนก็ไม่ใิ่คิดได้ทุกเรียรบว ถ้าก่อบรัญโกรน้อยวางตัวเองทั้งตัวเองและบุญอื่นก็นจะได้วางสิ่งเหล่านี้คุณขึ้นมันวางาเพราะวันหนึ่งข้างหน้าอีกไม่กี่ปีเราไม่รู้ยางรบกูเราก็แปดสิบสองนิดหน่อยอยาแปดสิบสามรู้ว่าแอร์ก็6กสบแปดนนี้เป็นต้งไปแล้วคุยอย่างเรา8ปสิบเรามานับดูตัวเลขเราสิมันเท่าไหร่แล้ว จะเอาลวพคอเ ป, ปนเคผู้เรยนเปเกณฑเอาหลวพอแอร์ปเปกณฑคือครึ้นการๆปัจจุบันอายุของมนุษย์ประมาณว่เจ็ดสิบ้าโดยประมาณที่เป็นเจ็ดสิ้าเป็นตําราเป็นตำราที่เล่ากันว่าอายุของมนุษย์เรานะ่ะเมื่อครบ หนึ่งรอยปีกวปีมนุษย์อายุมันจะลดลงหนึ่งปีคืออายุขัยเพราะฉะนั้นรพระาของเราจากพวกเราไปสองพันห้าร้กว่าปีมาแล้วราะปีหนึ่งครั้งพันปีสิบครั้งยี่สิบคือคือสองพันยี่สิบครั้ง 25, ยี่สิบห้าันก็ยี่สิบห้าปีโดยประมาณนั่นก็แปลว่าถ้าเกณฑ์มนุษย์เราเนี่ย หนึ่ง้อยปีตอนนี้สอง0ากว่าปีมันก็เหลือเจ็ดสิบ้าอันนี้คือวิธีคิดนะที่เขาบอกว่าเจ็ดสิบห้าปีอันนี้คือแนวความคิดมาจากอะไะมาจากที่ว่าหนึ100่งร้อยปีอายุเราก็จะสั้นลงไปอีกหนึ่งปีทีนี้ถ้านับไปเรื่อยๆอย่างนี้เราอเราดูสวัสดีห้าพันปีมันจะเหลือกี่ปีเมื่อเมื่ออายุเมื่อ อายุห้าพันปีมาถึงปศุผลเพิ่มยี่สิบ้าบวกี่สิบห้าเป็นห้าสิบก็แปลว่าอายุมนุษย์เราในยุคนั้นเมื่อห้าพันปีต่อไปข้างหน้านอายุก็ประมาณห้าสิบปีเห็นไหมไม่ได้เยอะเลยนะดังนั้นช่วงระยะเวลาที่เราีอยู่หรือบัรพ้นไปแล้วเจ็ดสมาธิถือ่คุมนะ้มแล้วตอนนี้เราเกิดเจ็ดสนะิบกว่าเจ็ดสิบ้ากำไรนะชีวิตเราแต่อย่าลืมนะอย่าลืมว่า ถ้าเลย7จ็ดสิหาพอนยแปลว่า อ, อะไรแปลว่า อ, อ, อ, อายุไขของเราหมดแล้วที่มีอยู่ดูกำไรนะทาที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดอย่าประมาทจะไปห่งอนาคตอย่าไปกังวลกระวัตอดีตกำหนดปัจจุบันฟังพระพุทธเจ้านะฟังพระธรรมนะฟังพระสงนะ อื่นๆไม่ต้องไปฟังใดๆใครทั้งสิ้นเลยแล้วจิตก็ไม่ไปยึดเอาคําพูดเก่คนนั้นคำพูดเก่าคนนั้นคําพูดคนนั้นดีคำพูดนี้คนนั้นยามจิตมันไปคล้องเอือพวกนั้นแล้วคิดชื่อว่าคนมีสติได้ยังไงหรือชื่อว่าคนมีสมาธิได้ยังไงและเข้ามาในภาษาการนี้เพื่ออะไรถ้าไม่ฝึกสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่าที่ก็ไม่มีคำว่าไม่มีคือนึกไม่ได้นึกขึ้นมาไม่ได้เลย น, นั่นแหคือคำ ว, ว่าสติคือเราเราลึกนึกไม่ได้คนที่ไม่มีสติคนที่นึกขึ้นมาไม่ได้คือชีวิตประจำวันของพเราเนี่แหละวันเดือนปีนี่แหละเช้าสายบ่ายค่านี่แหละกลางวันการคืนนและกานเดียวกันนี่แหละแต่นึกไม่ได้สักอย่างนั่นคือความว่าไม่มีสติแต่ท่านผูร้รู้ท่านผู้ปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องอยู่ของท่านเลยแม้แต่พระอาจารย์เขเหมือนกัน ถ้าจะมีเครื่องอยู่ชัดเจนะกระทบพลังประแการทันทีนี่ก็เป็นเครื่องอยู่กันท่นถ้าจะวางเต็มท่านจะไปต่อความยาสาความเยือกหนุของเราอย่งนั้นมันเดือดร้อนแล้วมันเดือดมันร้อนไหมมันเดือดไหมมันร้อนไหมไข่เดือดไข่ร้อนเมื่อมันร้อนนะรู้จักวิธีหาให้เย็นไหมทำตัวเองเย็นลงได้ไหมไม่มีมีแต่จะเพิ่มความร้อนแล้วไข่ร้อน ต้องถามอีกก็ตัวเองเท่าไหร่ร้องโกรธมากเท่าไหร่ร้องมากเท่านั้นเพิ่มมากเท่านั้นแล้วใครเจอตัวเองก็มันเผาตัวเองก่อนไม่เผาคนอื่นแต่ถ้าดับมันก็เย็นมันก็เบาลงมันก็น้อยลงจะพึ่งไปตั้งเป้าหมายว่าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่ให้มันน้อยลงอย่าให้มันทีอย่าให้มันมากให้ชีพเป็นวัน หรือเอาแค่รู้ว่าอันนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้นะความหลงเป็นอย่างนี้นะความโลภเป็นอย่างนี้นะกระทบขึ้นให้รู้เดี๋ยวอันนี้ความโลภนะถึงแม้ไม่สามารถที่กําจัดมันได้แต่สามารถที่ทําให้มันต่ำลงไปได้ให้รู้จักคือให้มีสติก็อย่างนี้ว่านี่คือความโลภนะกําลังจะเกิดขึ้นกับเรานะอันนี้ความโกรธกำลังเกิดขึ้นของเรานะอันนี้ความหลงอยู่นะ หลงไม่ใช่ไม่ไแปลว่าลืมนี่คือความหลงเพื่อหลงหลงการลงเวลาอันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทารของเราคือต้องการให้พวกเรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เบื้องตนเราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิหารธรรมแปลแว่าทําไป็นเครื่องอยู่ของตัวเราเองคือจิตใจนี่แหละแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเหมือนกับจบันรวา ก็รู้จักหาวิธีทำอะไรเป็นเครื่องูมันไม่มีหลักก็มีลอยคิดคิดไม่ได้หลักพูดกับพูดกันเป็นหลักปฏิบัติอหนักก็ไปเองไม่มีสิ่งนี้เลยแล้วชีวิตอะไรมันจะอะไรมันจะดีขึ้นกับชีวิตมันจะมีอะไรใหม่กับชีวิตมันจะดีเรื่องเดิมๆเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเดิมแต่เราไม่เข้าใจกระบวนการเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรจะมองเ่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องยังไม่เกิด มันเกิดมาแล้วเกิดเกิดมาแล้วแก่มาแล้วเจ็บมาแล้วหรือแต่ตายอะไรตันี้กรบวนการทั้งสี่คือเกิดแก่เจ็บตายมันใช้ไปหมดแล้วเราู้เรารู้จักกันหมดแล้ ว, ว, รร ห, ลวหรือแต่ความตายตอน้เป็นสิ่งที่เรารังเกียจตั้งหาข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่เรารังเกียจไม่อยากให้ดีไม่อยากให้เป็นไม่อยากไม่ปรารถนาเลยไม่อยากประสบพบเจอเลยถ่าถามพระเจ้าสอนั้น สอนให้กลัวตายนะผู้สไม่ได้สอนให้กลัวตายอ่าแล้วทำไมเราไม่ฟังพระจ้าเนี่ยเระกลับมาสอนตัวเองอย่างนี้ในเมื่ออะไรที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็อยาไปฟังอย่าไปยไปฟังพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนมันอมีเหตุมีผลแต่ที่สำคันคือมันนอกเหนือจากเหตุผลที่เราเข้าใจเรื่องนอกเหตุเหนือผลเพราะทำไปนคนเหนือเหนือโลกเกิดขึน เนื้อสืนัน้นถ้าเราไม่ฟังอะไรเลยเนี่สุดท้ายฟังใครฟังตัวเองก็ยึดวิหาธรรมคือทําไปอยู่ของตัวเองเนี่แหละนั่นมันอันตรายมันเป็นเรื่องอันตรายเพราะนั้นภาษาการนี้เนใจพวกเราอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องอยู่ให้ยึดให้โยงเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะฉะนั้นคำํำง่ายๆก็คือคําอธิษฐานคือสัจจานั่นแหละเป็นตัวตั้งว่า เรจะทําอะไรได้บ้างน้อยสุดสุดวันภาษาการนี้เอาศีลห้าเป็นหลักออันนี้เป็นสัจจังขึ้นคําอธิษฐานซึ่งเป็นบารมีแปลว่าเราจะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเต็มในอนาคตรหรือปัจจุบันนั่นเป็นการดิ้เราจึงเรียกว่าการสร้างบารมีบารมีคือแปลว่าไปฝั่งนั้นให้ได้มันเต็มแล้วมันพร้อมแล้ว ไปฝั่งนโนนแล้วก็ไม่ต้องใชยแล้วอมคุณเหมือนทุกปีเจ้าเหมือนพระอะไรอ่ะทั้งหลายเลยถ้าไม่ได้ใช้แล้วมื่ข้ามไปฝั่งแล้วไปถึงฝั่งโน้นแล้วมันไม่ได้ําใช้คนหนึ่งตอนนี้เรากําลังข้ามอยู่ยังอยู่ในโอหัดในห้วงมหาสมุทรอันนี้อยู่ยังเสี่ยงอยู่ยังอันตรายอยู่มันคนที่ข้ามไปฝั่งโนนนัน่นก็บอกไปแล้วมีน้อยน้อยมากๆ ้น้อยธรรมดาคนที่ไปไม่ถึงฝังแท่มาต้องพูดถึงเลยที่เป็นจนํานวนอันนี้คือปาญหาการนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนว่าถามตัวเองว่าเรามีอะไรโดยเครื่ อ, อยู่คือสติสมาธิปัญญาบนตรนจักรการทำตัวเองให้มีศินกลคือจัด ก, การระบบตัวเองกลับทิ้ง อ, อะไรคือสมรวม ตั้งหัวจูกเรียกกายธรรมมันคือเรื่องหัวใจด้านั้นศีลธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญภาษาแรกอาจารย์พิ่ัมาเราพูดย้ำตรงนี้ว่าผูเจ้ามายึดธรรมกับวินัยเป็นหลักนะถ้าเราฟังผูเจ้าเชื่อผูเจ้าก็ลองนั่งแล้วคืออะไรวินัยคืออะไรถ้าคนไม่มีธรรมเป็นยังไงคนไม่มีวินัยเป็นยังไงเอาอย่างนี้หรือแม้แต่ตัวเราเองเลย ทำก็ไม่มีวี่ไหก็ไ ม, ม่ีเราไปยกให้ทำวี่ไหเรื่องของพระจกใทําทอะไร เ, เรื่องปฏิบัติไม่คิดว่าเป็นของตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะทําหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้กลายเปเรื่องคนอื่นไปหมดในชีวิตประจําวันบอกไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยถนะ้ามันเกี่ยวข้องมั่งเาจะเข้าใจว่าเออทำมันไม่อยู่ใกล้ตัวนะสินมันไม่อยู่ใกล้ตัวไม่ใช่ตัวเราทําตัวเองให้คคมีสินมีธรรมประจําใจอยู่เสมออย่างนี้ เราก็เชื่อว่าเป็นคนมีวิหารธรรมนี่แล้วแต่บุคคลว่าวิหารธรรมที่ทำเป็นเครื่องอยู่นี่คืออะไรแต่ถ้าบุคคลมีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมอย่างแท้จริงเหมือนที่พเจ้าเป็นพระอริยะทั้งหลายเราจะไม่เริ่มากจะไม่เดือดร้อนห ร, รือห ร, รือร้อนก็ร้อนน้อยลำบากก็ลำบากน้อยถ้าเราทําได้ยิ่งกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยลําบาก เราก็จะอยู่แบบคนไม่รู้เรื่องอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน อ, อยู่ด้วยกันปราศจากสติเพื่ออะไรไปไดน้นี่มีหลับวีลอยจิตออกจากร่างไปไปหาธรรมทําไห้ค่องอยู่ไปไหนไปนไม่จิตออกจากบ้านมันตัวเราออกจากบ้านแล้วมันไ ม, ม่ที่อยู่นะเราก็จะเดินไปเรื่อยดีวันนี้ออกจากบ้านเข้ามาวัด แต่ถ้าไปสถานที่ที่อื่นมันไม่มีหลักมีรอยหลักชิ้นหลักนี้มเพราะนั้นภาษาการนี้ฝากพวกเราทุกคนวิหารธรรมคือทําไปเครื่องอยู่เราเลืเอกได้อยู่แบบไหนก็ยึดมอย่นั้นเป็นหลักเราจึงเรียกสิ่งนั้นว่าวิหารธรรมสวดพรมนั้นชัดเจนเลยตลอดพรมวิหารงานของพรมคือเครื่ออยู่ของพรมคือจิตจิตของพรมนั้นท่านีโเราด้วยแม่ตากับนา ปฏิตัณฑ์โเวคาอันนี้คือวิหารธรรมของพรมของพรมเขาจนวิหารธรรมของเราก็ต้องมีสร้างขึ้นมาได้ว่าอะไรคือวิหารธรรมของเราฝากไว้เป็นข้อคิดลอาไปคิดตอลอดเราจะอยู่อะไรเป็นเอาอะไรเป็นวิหารธรรมนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของจิตนั่นคือสภาวะของจิตของเราอย่างแท้จริงเลือกได้ฝึกได้ในงานการธรรม ไม่เลือกเลยคือไม่ฝึกไม่หัดมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผลต่างาาา ก, ากันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นภาษาการนี้ฝาังเราทุกคนให้หาเครื่อง อ, อยู่มีธรรมไปเครื่องอยู่คือวีหารธรรมแล้วแต่เราเลือกเราชอบอินเดียแบบไหนก็เลือกแบบนั้นแล้วก็ตั้งใจเอาคือเกิดให้เกิดสัจจะคือความจริงขึ้นมาได้อะไรก็ได้ทั้งอย่างไม่งั้นจะไม่ได้อะไรเลยภาษาการนี้อันนี้คือธรรมะฝากพวกเราในเชา การนี้เพื่อให้เกิดสติคือระลึกนึกขึ้นมาเพื่อเกิดปัญญานำไปสู่แสงสว่างในอนาคตก็ขออนุาความดีที่ผู้เราทั้งหลายได้เข้าบัดจความธรรมจั่ินภาวนาทุกวัณฑะวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิหารธรรมอย่างหนึ่งคือคือนเครื่องอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือใกล้ปัณภะวอะไรกับนึ่งขึ้นธรรมดานั่งคือสติพี่กที่โอมอยู่ตอไปวัดกับความธรรมจั่งชนาวนาทูปปั ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแลก็ขออนุเคาะในพระสังฆตานานี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องปกป้องกัปปะคุ้มครองของเราเรียกว่าทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมความรักทานานที่มีความสุขตอนเจริญตามขัตตภาพการภาวนาด้วยความต่ำต้อย